เอาน่าอย่าซีเรียสเรื่องผีมีจริงมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่า ผีย่มีจริงไหมคะหลวงพอ่อแล้วคนเราเมื่อตายแล้วไปไหนคะหลวงพ่อจะบอกว่าไม่มีหญิงคนนั้นก็คงไม่เชื่อเพราะพวกทรงเจ้าเข้าผีบอกว่ามีไอครันจะตอบว่าพระเคยเห็นไหมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะพระไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นแล้วจะตอบว่ามีได้ยังไงแล้วคนไทยเนี่ยนิสัยเสียนะเลี้ยงลูกไม่เป็นมันถามว่ามีผีไหมคนทรงเจ้าบอกว่ามีน่ากลัวไหมน่ากลัวมันกลัวขนหัวตั้งเลยกลัวคนเดียวไม่พอไปหลอกลูกอีกระวางผีหักคอลูกเลยกลัวไปอีกคน พอพระอาทิตย์ตกดินทั้งแม่ทั้งลูกไม่ต้องไปไหนซุกตัวอยู่ใต้ผ้าหม่มกลัวผีโยมผู้หญิงเห็นหลวงพ่อเงียบไปนานแกถามซ้ำอีกหลวงพ่อตกลงผีมีไหมมีโยมน่ากลัวไหมน่ากลัวมีผีอะไรบ้างคะแน ลองภูมิพระให้พระจำแนกผีให้ฟังด้วยเธอเห็นพระเป็นผู้จำนานเรื่องผีไปซะแล้วก็มีผีบ้าผีเปรตผีพันนันผีปัญญาอ่อนแกทำหน้างงงไม่เคยได้ยินลวงพ่อเลยต้องอธิบายให้ฟังผีบ้าก็คือ พวกที่คิดอะไรไม่ไดีเรื่องได้ราวเชื่อเรื่องที่ไม่ควรเชื่อบ้าหวยให้ทุกอย่างเพื่อขอหวยพีเปรตคือพวกที่ไม่คิดทางานทาการไม่ทามาหากินขอเข้ากินเกาะพ่อเกาะแม่กินทำตัวเป็นเปรตชอบขอผีพ น, นัน คือพวกที่ชอบเล่นการพนันจนงโงหัวใหม่ขึ้นตีไก่กัดปลาเล่นม้าเล่นมวยแทงหวยแทงบอลผีปัญญาอ่อนคือพวกติดติดเหล้าติดบุหรี่ติดยาเสพติดรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีทำลายสุขภาพก็ยังปัญญาอ่อนไปติดมันหลวงพ่อ มั่วหรือเปล่าผีที่หลวงพ่อพูดถึงหนูไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินโอ้อาตจจมาเป็นห่วงโยมจังเลยผีพวกนี้มีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองถ้าไม่เคยเห็นแสดงว่าโยมถูกผีสิงซะแล้วละผีอะไรเข้าสิงหรือหลวงพ่อผีงโง่ น, น่ะสิโยม